เกิขึ้นเช่นการปัดกวาดนี่เป็นนิสัยที่เคยทํำอย่างนั้นตามใจเจ้ของมาเนื่องมาคือเราเข้ามาทีนี่น ม, า ม, ามันจึงมาขวางเพราะนี้ไม่ได้ตามใจตามธรรมต่างทุกสิ่งทุงอย่างที่มานํามาแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนแต่พิจารณาตามเหตุตามผลอัดทำทั้งนั้นไม่เอาปาปาเถื่อนมาสั่งสอนหมู่เพื่อน ใครมาให้ดูกันอย่ามาขวางกันเหมือนทาผีขวางหม้อเพราะขวางอันนี้มันกระเทือนกันมากทั้งวัดนี่ต่างองค์ต่างมาศึกษาอาลงแล้วทีนี้สายเดิมที่มันขัด ตอหลับทำอางไงยาวมาใช้เป็นอังคารเหลุการปฏิบัติตัวเองที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะให้เป็นไปตามใจใจทั้งดวงนั้นมองหาจนไม่เห็นไม่เจอเลยมีตั้งแต่ที่เรือดหุ่มห่อจนมิด อี่อกระแสะความรู้แสดงออกมาตัวจริงของความรู้นั้นถูกจิเ็กมันปิดบงังจนมองหาตัวจิตไม่เจอเรายังว่าเราดีอยู่เหลอเมื่อจิตถูกกุ้มห่อด้วยสิ่งสุตกตกโสมมทั้งหลายแล้วการแสดงมาทางกายทางวาจามันจะเอาความสะอาดมาจากไหนถ้าตัวจิต เดิมซึ่งเป็นผู้บงการเป็นธรรมชาติที่โศกปลุกรคกลุ่มรั ง, งอยู่แล้วด้วยสิ่งไม่เป็นท่าทั้งหลายเอาเรียนเอาปฏิบัติตามหลักธรรมของผู้ที้เจ้าคำพูดนี้จำให้ดีที่ผมพูดมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเวลานี้มันมีแต่กิเลสบงการทั้งนั้น ทำไม่ได้บ่มกานในหัวใจเราเราจรึงไม่ทราบว่าคิเลกเป็นอย่างไรทําเป็นอย่างไรจนก ว, ว่าปฏิบัติเข้าโดยลําดับลำดับเอ่อค่อยจางไปจางไปทําแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนั่นนะแหละจะค่อยรู้เรื่องกันไปเรื่อับถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติ กำจัดมันแล้วจนกระทั่งวันตายจะไม่เห็นเรื่องของธรรมเป็นของแปลกประหลาดลอาชจรรยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสเลยด้วยเหตุ น, นี้เองกิเลส จ, จึงมีงำนาจเป็นคาสึบต่อธรรมด้วยมาเรามาบวชนะั้นศาสนากิเลสไม่ได้บวช ด, ด้วยให้ทราบกิเลสคงเป็นกิเลสอยู่โดยดี เป็นตัวข่าสึกต่อธรรมอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่เคยใช้ทกสถานต่อการบวชถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ทําการแก้ไขถอดถอนซึ่งเรียกว่ารบกันนั่นแหละกิเลสจะไหวตัวถ้ามีการปฏิบัติแทกเข้าตรงไหนกิเลสจะไหวตัวตรงนั้นถ้าจะพูดภาษาของเราเป็นบุคลาพิฐานของเรากิเลสเริ่มร้อนตัวขึ้นมา เพราถูกฆ่าสุดเข้าจู่โจมอยู่ทุกวันทุกเวลาด้วยความเพียนซึ่งเป็นอัดเป็นธทำอันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวกิเลสกลัวทำอย่างเดียวทั้งสามโลกธาตุนี้กิเลสเป็ น, นจ้นาถทางนั้นจึงไม่กลัวอะไรแต่ธรรมนี่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลก ยิ่เลยจริงต้องกลัวถ้ามานำธรรมเข้าไปกำจัดยิ่เลย จ, จะไม่มีสะทกสะทานไม่มีกลัวเลยแลว้วมันมีความอิ่มพอที่จะอยู่พายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกก็ถูกมันกล่อมให้หาความอิ่มพอต่อมันไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเรากับยิ่งเลย จ, จึงเป็นอันเดียวกัน เน่าจะทํากิจการใดๆที่เป็นส่วนกุศ ล, ลนั้นก็กระเถือนกิเลสกิเลสขัดขืนไม่อยากทําเราก็เห็นตามกิเลสทันทีโดยไม่ต้องคิดอ่านแใจตรองอะไรเลยกระเถือนเหล่านั้นหัวลําบากลําบนจะฝ่าฟื้นกิเลสดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีเป็นพระ ด, ดีะนั้นก็ถูกขัดขวาง จากกิเลสซึ่งเราถือว่าเป็นเรานั้นเสียสุดท้ายก็ไปไม่ได้มีข้อสำคัญธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสร้างคนให้ดีสร้างพระให้ดีถ้าไม่มีธรรม เป็นน้ำเชื่อมอยู่แล้วความรู้ทั้งหลายที่เรียนมามากน้อยจะเป็นเครื่องมือของจิตทั้งหมวลหาสาราไม่ได้พอจะพิ่งพาใสให้รับความร่มเย็นเป็นสุภาณกจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นทำจริงเป็น ทั้งเครื่องมือสร้างคนให้ดีเป็นทั้งผลคือความสุขในเมื่อสร้างตนในดีมากน้อยเพียงไรการจะเป็นคนดีต้องฝืนฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเคยทำอยู่แล้วและชอบทำอยู่เสมอว่ามีความอิ่มพอฝืนตรงนั้นเหละฝืนสิ่งนั้นเนี่ยอยากทำก็ไม่ทำ ความอยากเป็นเรื่องของค่าศึกอยากในสิ่งที่ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อยากในสิ่งที่จะทำตนให้เสียให้ผู้นจมลงไปโดยลำดั บ, ดบนั่นคือเป็นฝ่ายต่ำที่จะฉุดลากเราให้เป็นคนต่ำลงไปชั่วชา้าเลยซ้มลงไปโดยลำดับทีนี้เราฝืนเราไม่ทำนี่คือการป้องกันตัวือฉุดลากตนออกมาจาก สิ่งต่าทั้งหลายไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นจะกลายเป็นคนต่ำลงไปเราก็ต้องฝืนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วต้องทำให้อยากทั้งนั้นเรื่องของธรรมไม่อยากหรือไม่อยากทำเพราะฤทธิ์ของกิเลสมีมากกว่าเกินกว่าที่จะอยากทำในทางด้านธรรมะ ต่อเมื่อได้ทาลงไปโดยลำดับด้วยการฝ่าฝืนทางโดยทางเหตุผลต่อสู้กับสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยทางเหตุผ ล, ลทั้งที่ไม่อยากทําเราก็ทําไม่ว่าจะหนักเบามากน้อยเพียงไรเราทําโดยทางเหตุผลคือเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วฝืนต่อสู้กับวิเวกด้วยไปนี่ก็ ค่ยเบาบางความอยากในสิ่งที่ไม่ดีท้างหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงเพราะมีการต่อสู้ต้านทานกันอยู่ทุกเวลาเวลาสุดท้ายความอยากในฝ่ายต่าทั้งหลายก็ค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปความอยากฝ่ายธรรมก็เริ่มมีกาลังขึ้นมาและเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญธรรม ต่อจากใจมีความเย็นความสงบสุขหรือเย็นใจนี่คือผลเมื่อปรากฏผลขึ้นมามากน้อยย่อมมีแก่ใจที่จะฝ่าฝืนบึกบืนหรือประกอบงานที่ดีนั่นให้ได้มากมูลขึ้นโดยลำดับลำดับชวนต่ำไฟต่ำก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปายดีก็มีกำลังมากขึ้นในเบื้องต้นต้องฝึก ต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้ความปล่อยตามอําเภอใจอยู่อย่างสบายนอนอย่างสบายกินอย่างสบายอะไรอะไรก็เป็นอย่างสบายสบายวุ่นแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสบ่งให้ทํางานทั้งหลานเป็นอาการของกิเลสทํางานเป็นงานของกิเลสซึ่งจะทําตัวให้เสียไปโดยลําดับลำ ไม่ใช่งานที่จะส่งเสริมตนให้ดีขึ้นเนี่ยสาคัญ ต, ตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่าเหล่านี้เป็นกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้นกับเรามันติดกันมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่เรายังไม่รู้ยังสาภาวะอันนี้ก็ติดกักครอบพอใจยอยู่แล้วหากว่ามีธรรมะเป็นเครื่องชี้แจงเราจะไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมสิ่งนี้เป็นกิเลสได้เลยตลอดวันตายมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ เป็นผู้เฉียวฉลาดแหลมคมจะแสดงวิธีแยกแยะให้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ฝ่ายกิเลสรู้ฝ่ายธรรมและสอนวิธีประพฤติปฏิบัติเพื่อกาจัดสิ่งที่เป็นภัยแกต่ตนตามขั้นตามภูมิปโดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งการสิ้นซากของกิเลส และที่สุดแห่งธรรมแห่งความประสบค์พึงที่ใจทีนี้กิเลสที่ว่าพุ่มห่อระจนมิตรมองหาจิตไม่เห็นนั้นหายไปหมดหรือว่าแต่จิตกับธรรมธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันด้วนหนทีนี้กิเลสประเภทใดแสดงออกจากใครออกจากผู้ใดออกจากสัตว์ตัวใดผู้นั้นจะรู้ทันทีทันทีทันที ผู้ที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะได้ปราบกิเลสแล้วด้วยความฉลาดสามารถของตนเองกิเลส ย, ยอมแพ้แล้วเพราะความฉลาดของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะแสดงออกมาในท่าใดเนียใดในบุคคลหญิงชายหรือสัตว์ตัวใดต้องรู้ทั้งนั้นทันทั้งนั้นทีนีคนมายาของกิเลสปิดไม่อยู่ จะเคยลี้ลับมาอย่างไรก็เปิดเผยขึ้นหมดเพราะสติปัญญาหรือจิตธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วสว่างกระจ่างแจ้งเห็นหมดแล้วต้องมองเห็นหมดเรื่องของจิตการฝึกหัดจิตใจ เราทําให้จริงให้จังแต่ทำเลาะเลาะแหละเหมือนจะทําให้คนอื่นคนใดหรือทําด้วยถูกบังคับบัญชาผลประโยชน์เป็นของเขาเราทําให้เขาเป็นเครื่องมือเขาหรือเป็นบ่า้าคอยเอาค่าจ้างงาวางให้เขาไม่ได้เป็นอย่างนัน้นเราทําเพื่อเราทําความดีอ่ถือทําเป็นหลัก จะเป็นฆรวาสเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยใดก็ตามย่อมสวยงามหน้าดูหน้าชมไปตามเพศและวัยนั้นๆเพราะทาไม่เคยทำคนและสัตว์ให้ลดความน่าดูสวยงามหากว่าความหน้าดูสวยงามมีอยู่ ความน่าดูสวยงามในรูปร่างลักษณะนั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าความน่าดูสวยงามทางด้านจิตใจและความประพฤติอัติย า, สายใสยก่กอดที่ได้รับการอบ ร, รมจกธทรมาพอถึงควนหรือได้รับการอบรมจธรทมด้วยดีแล้วนี่เป็นมรารยาทที่ซึ้งมากสวยงามก็งามมากผู้มีธรรมย่อมรักษาตนได้ ไปที่ใดมาที่ใดก็ตายรู้ทั้งผิดทั้งถูกรู้วิธีหลบหลีบปีกตัวอยู่เสมอปลอดภัยไปเรื่อยๆนี่ผู้มีธรรมเป็นนะั้นถ้าไม่มีธรรมแล้วไปที่ไหนจมทางนั้นอยู่คนเดียวก่ออุตริแต่จะทําผิดอยู่กับมูกับเพื่อนก็มีแต่เพื่อนที่เลวทรามชุดลากกันลงไป เพาะว่ามีใครสนใจในธรรมแล้วจะหาคนดีมาจากไหนเมื่อต่างคนไม่สนใจในธรรมสนใจแต่ของต่ําช้าเรียวสามแล้วก็มีแต่ความต่ําช้าเรียวสามเต็มตัวเต็มตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวมาบวกกันเข้าจะเป็นกองใหญ่โตขนาดไหนถ้าสังคมก็สังคมที่เรียวสามเพื่อนฝูงก็เป็นเพื่อนฝูงที่เรียวสามแล้วเราจะดีเด่นมาจากไหนเมื่อเราก็เป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันแล้ว มันก็ไผิดอะไรกับเขาเขากับเรานี่ความไม่มีธรรมทำปุณ้เสียได้อย่างนี้ใ น, นความมีธรรมมีการดัดแปลงแก้ไขอันไหนไม่ดีคัดออกคัดออกด้วยเหตุด้วยผลขางตนยากลาบากขนาดไหนไม่ถือสำคัญเพราะเรามีคุณค่ายิ่งกว่าความยากความลาบากนั้นเป็นไหน คำายากความลำบากในการดัแดแปลงแก้ไขตนเองในการฝา่าฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันเป็นคุณค่าสำหรับตัวเราไม่ใช่เป็นการทำลายหรือสังหารเราให้ร่งจมทิบหายไปเนี่ยทำไมเราจึงจะไม่พอใจทำคนเราดีเพราะความประพฤติอัธยาสายใจคอดีเพราะการอบรม ไม่ได้ดีเพราะเนื้อเพราะหนังบางสังอะไรไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกลางตัวว่าสวยว่างามจริงดีอันนี้ดีหรอกหน้าล้านเท่านั้นไม่ใช่ดีอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ดีอย่างสมบูรณ์ไม่จะดีตามคุณเป็นคุณภาพดีด้วยความเสร็จสันพอปรพูดตัวไม่ดีเสียเท่านั้นความดีความสวยงามหล่านี้ก็ล่มเหลวไปหมไม่มีคุณค่า ถ้าประพฤติตัวเป็นคนดีหรือรูปร่างกลางตัวจะไม่เป็นค น, นตัวแวงแต่คุณธรรมของผู้นัน้นมีอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่ในตัวมีดีไม่ลดละดีอย่างนี้ใครจะมาพบฆ่าสมาคมก็ทำให้สนิทติดใจไม่มีการติดจากรเนี่ยทำนี่อยู่ที่ไหน ตั้งเป็นเหมือนแม่เลยเป็นเครื่องดึงดูดความดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายเข้ามาได้ครบค้าสมาคามกับใครเขาก็ไม่เบียดชันเขาไม่อินหนาละอาใจเพราความดีของเราทำจึงเคยสร้างคนให้เป็นคนดีมานันบกับนับกันไม่ได้แล้วคนนดีด้วยด้วยธรรมด้วยความประพฤติปฏิบัติ สัตว์ทั้งหลายดีด้วยเนื้อด้วยหนังมีคุณค่าราคาด้วยเยนื้อหนังของมันไงามายุ่ง ก, กันดีค้จริงตายว่าเออฮ้ยยิ่งหัวเลี้ยงลูกลูกโผล่นะทามาเลี้ยงลูกก็คือบำรุงรักษาความรับผิดชอบเต็มตัวทั้งพอ่อทั้งแม่ญาติวง มีเรียกว่าเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาปลูโพคำว่าโพโพนโพธิแปลว่าความเฉลียวฉลาดนี่สอนกิรยามรารยาทส่งเข้าโรงร่มโรงเรียนมีกระส่งไปเมืองนอกนก็เพื่ออนาคตของลูกมีเท่าไรก็ทุ่มลงไปทุ่มลงไปเพื่อให้ลูกไปศึกษาเรียนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอนาคตจะเลยมีความแน่นหนามัน่นคงนี่ ขนาดนั้นนะพ่อแม่ของคนเวลาบวชแล้วก็พ่อแม่ก็ดีอกดีใจเพราะก้อนเลือดทั้งก้อนนี้ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วันอยู่ในท้องด้วยซ้ำจนกระทั่งบัดนี้ยากขนาดไหนแล้วได้เนื้อก้อนนี้คือเราทั้งคนนีเข้ามาบูชา พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการบวชการประพฤติปฏิบัติอัดธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามอย่างยิ่งแล้วจึเงเป็นที่ยินดีแก่มิดามนาทั้งหลายความยินดีของพ่อของแม่ที่มีต่อเราความปีติทุกด้านความสุขที่มีต่อลูกก็มีวันที่บวชกับเวลาที่ลูกจะประพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความ เป็นเพศนัาบทแล้วนี่แหละพ่อแม่มีความภาคภูมิใจไม่หวังเอาอะไรจากเราเนี่หวังจะให้ลูกมีความเป็นคนดีนี่สำคัญมากอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้วิชามีหน้าที่การงานสะดวกสบายฐานะจะมีความมั่นคงขึ้นในอนาคตเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงขึ้นไปด้วยนี่เป็นความมุ่งหมายของพ่อแม่ ส่วนที่จะตอบแทนบุญแทนคุณพ่อแม่ด้วยสมบัติเงินทองนั้นส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจยิ่ยงกว่าลูกเป็นคนดีเนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้พยายามเวลาจำเป็นได้สื่อออกไปก็ให้นำหลักธรรมไปปฏิบัติตนเอง มายังไงต่อไหนคอยเสียหลงตัวคอยต้งเก็ตัวแล้วก็ย่างยิ่งคอยต้งเก็บจิตนั่นเองจิตนะตัวข่านองที่สุดมันคิดไปทุกเนี่ยทุกมุมหาไม่ร่ำเวลาสงบไม่ได้ทั้งที่อยู่ภานาอยู่มันก็บุกออกมาต่อหน้าต่อตาหายไปต่อหน้าต่อตาไปเอาไฟมาเผาเราจนได้ ังทั้เรากำลังนั่งภาว น, นาว่าจะทำปดให้สงบปราบความฟุ้งซ่านนันเป็นเรื่องของเด็กให้สงบลงไปมันก็ฟุ้งไปจนได้ mm hmm. เหตุที่บ่าภาว น, นามันไม่เป็นไปเพราะมันไม่เข้มแข็งภายในใจกำลังใจมีน้อยความหละอเละมีมากหลักลอย ที่สั่งอะไรอะไรกรหมูกับพวกนี้มันเป็นในนิสัยของผมเองเพราะเราเป็นหัวหน้าสร้างอะไรใครตรงไหนต้องจับไว้จับไว้จับไว้เพราะเราเป็นคสอนก็แสดงหลักร้อยให้เห็นชัดๆบอกอย่าหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งบอกอย่าหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งไม่งที่สิ่ น, นั้นดำหยากมันมันเคลื่อนให้เห็นต่อหน้าต่อตา เจอพูดอะไรถึงเรื่องความละเอียดจะสามารถทำให้ได้ให้เป็นได้ยังไงเนี่ยที่ทำให้อ่อนใจนะว่าอาจารย์เป็นผู้สั่งเองมันเคลื่อนขัานได้นี่เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วจริงสังทุกอย่าง ยิ่งเวลามาเห็นความเลวไหลนิ่งทําให้เกิดความวิตนาและอาเจียยิ่งพาวนาไม่ได้เรื่องในลางอีกด้วยพราะยิ่งทําให้คิดเข้าไปมากมายทําำทุกวันทําไมจิตมันไม่เปลี่ยนไปถ้าจะมีหนักมีเบากันบ้างมันควรจะเห็นเหตุเห็นผลกันในวันใบ ว, วาระะหนึ่งได้แน่นอนเนี่นยพราะความฟุ้งซ่านเราก็เคยฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านจนหาขอบเขตเหตุผลไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งดวงในใจเพราะอำนาจของกิเลสเผามันก็เป็นมาแล้วเวลาฟาดกันด้วยความเพียรเอาเต็มอย่างเต็มเหนียวจ น, นความฟุ้งซ่านมันหมอบภาพลงไปมีแต่ความสงบแนวก็เห็นแล้ว นี่คุณค่าแห่ความเปลี่ยนคุณค้าแห่งความเอาจริงออกจังความมาเป็นเอ า, นาตายต่อสู้กันมันก็เห็นนี่แล้วทำไมหมู่เพื่อน พ, พูดปฏิบัติมันจึงไม่ปรากฏอย่างนั้นะสะแสดงว่าความจริงจังมันไม่มีทำอะไรก็คัวแตจะกระ เ, รรเรทเเือนกิเลยกลวเตะกระเทือนกิเลสเพราะกิเลสเหยียบหัวเราไม่ไม่คิดไม่หวัง นี่ที่กว่ามันไม่ทันคนมยายังี่เลสแล้วจะให้เกิดความสงบเย็นใจมีความเฉรียวลาดได้อย่างไงการพิจารณาก็เคย อ, อธิบายให้ฟังแล้วการเรยองถาตจากกงขันทํากินทําจังบางครับจิตเหมือนกับนักโทษเพราะเวลานี้จิตกำลังเป็นนักโทษอยู่แล้วแลวบางคับทำเข้าสู่กรอบสู่มุมอันถูกต้องหรือไม่ ด้วยอำ น, นาจของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทำไมมันจะไม่เห็นเหตุเห็นผลกันในวาระใดวาระหนึ่งพอที่จะจับเงื่อนนั้นดำเนินต่อไปและเพิ่มพูนวิธีการนั้นให้มีกำลังมากขึ้น น, นี่เลยาใจจนหัวใจก็ด้อ่อนตัวลงไปลงไปใจใจรับความสงบเย็นใจแล้วพ้นโทษโทษเบาลงไปเดิมดาจนกระทั่งพ้นโทษได้ ทำหนึ่งแบบทาตามสบายเท่านั้นนะในเรื่องนะพอต่อไปกีดมันก็แหวกแนวที่ยิ่งกลายเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของยิ่งปลายใหญ่ถ้าก็ไม่ฟังครูฟังอาจารย์ฟังแต่ที่ถิ่นตนที่เหมือนเต็มไปด้วยสิ่งบบาาอย่างถ้าละโมบก็ปลายใหญ่ระวัง มาพิสษาวรมไม่ตั้งใจในเวลาทิสสาวรวมจะตั้งใจเวลาไห น, นวันนี้เราพยายามที่สุ ด, ดก็หมุนเว้นไม่ให้มีการมีงานอย่างนื่นมีแต่การภาวนามีมากมีน้อยก็ใต่างคนต่างหยุดหาความสงบเย็นใจสําหรับตัวเองมีตั้งแต่ฝึกทรมานจิตใจอยู่ตลอดเวลาทั้งเช้าสายบ่ายเย็นอีระบบต่างๆเว้นตลับเท่านั้นถือว่างานภาวนางาน สอดส่องมองดูความคิดความเคลื่อนไหวของใจีเป็นงานสาคัญทานตัวอยู่โดยสมองตัวหนึ่งทำไมมันจะหาผลคือความสมงบก้มเย็นเป็นอย่างน้อยไม่ได้แลีปัญญาถ้าเอากันจริงจังมันเกิดได้ทำไมถ้าเกิดไม่ได้เห้นไม่ได้เรื่องเลยเหรอ เดี๋ยก็ทะเลจะไหลไปนอกลูกนอกทางไปเพราทําความเพียรไม่ในเรื่องนรวละไรที่นี่ก็ทะเลจะลหลไปข้างนอกมันจะเอาเรื่องราวมาจากไหนถ้าลงไปข้างนอกแล้วมันก็คือจะคอยขึ้นเขียงเท่านั้นถ้าเป็นสัตว์มันปลาจะจากเจ้าของแล้วเขาจะจับเอาขึ้นเขียงเมื่ อ, อไรก็ได้ในจิตถ้าขาดความสนใจขาดความเคารพนับถือในครูในอาจารย์ขาดความบื่มดืมขาดความมุ่งมั่นในอานธรรมแล้วมันจะต้องเปลี่ยนตัวไปทันที ถ้าะจิตอยู่เฉยๆไม่ได้ปล่อยอันนี้ต้องจับนั้นปล่อยนั้นต้องจับนั้นปล่อยจากดีจังจับติดชั่วทันทีเพราะช่วเคยติดกันมาอยู่แล้วจะให้ในหลั ก, กเกณฑ์เวลาอยู่ครูบาอาจารย์ในหลักอายุพรรษาอย่างหนุ่มน้อยถ้ามันได้ด้วยถ้าไม่ได้ในระยะนี้ลาบากยิ่งไปเป็นครูเป็นอาจารย์เขาทั้องทั้งที่หาความรู้ไม่ได้นั่นแหละตัวจม มีต่ตะชื่อแต่เสียงลั่นฟ้านแต่คุณสมบัตินิดหนึ่งจะติดใจติดตัวไม่มีเนี่ยไม่เป็นท่าเลยนั่นก็ทะเลก็แลไรออกไปนอกลูนอ ก, นอกทางสร้างนั่นสร้างนี่อ้าวแล้วน่าทิี่หาเกาไปละทิ้่ไม่คันไม่เลยทำก็อยู่ไม่ได้รำคาญ ต้องทำแล้วเป็นการเพิ่มนำพันเข้าไปอีกก็ไม่ได้คิดสุดท้าจะเอาการเอางานเป็นเพื่อนเป็นฝูงเอาญาติเอาโยมเป็นเพื่อนเป็นฝูงการติดต่อสมาคมกับญาติกับโยมเกี่ยวกับเงินกับท้องรายได้รายรวยเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปล่ะนี่อัดทําเลยไม่มีจะเอาอัดเอาทําเป็นเพื่อนเป็นฝูงเลยไม่สนใจซะแล้วเลยกลายเป็นเอาโลกเป็นเพื่อนเป็นฝูงมันเลยโลกไปอีกที่นี่ นี่ความไม่ตั้ง อ, อตั้งใจถ้ามันค่อยไหลลงมันไหลลงไปอย่างนั้นนะก็เห็นอยู่ได้ดชัดเต็มแผ่นดินไปพระเรานอกปฏิบัติเราเป็นอย่างว่านะมันมีน้อยเมื่อไหร่มี่เรื่วิตุวิจารกับหมู่เพื่อหมู่คณะ อะไรผมก็เทศให้ฟังไม่มีปิบดบังนี้ครับหมอดพุงนะฝ่ายเหตุได้ดำเนินมายัางไกกออก ง, งไก็ลากออกมาหมดตับหมดปอดมตลอดถึงผลเป็นยังไงไงกนลากออกมาหมดที่กล่าวมาทั้งหมดมันมันไม่ควรจะเป็นคติแา่การเราปฏิบัติของเราไม่พอที่จะเป็นกําลังใจของเราได้บ้างหรือ ย, อยังไง มันทิ้งเรี่ยวๆไหลๆหจิตใจหาหลักหาฐานไม่ได้ถ้าใจหาความสงบไม่ได้ในวงปฏิบัตินักพระพระเราพระปฏิบัติเราเราอยากเข้าใจว่าหาความถุกได้กินตัวตัวเป็นไฟถ้าไม่สงบก็ต้องเป็นไฟถ้าสงบแล้วก็สบายเพียงขั้นสงบเท่านั้นก็สบาย ทำมาสงบแ่้วใหม่สายแสเรื่อนร่อนไม่มีอะไรหยุลียงร้อยตัวนี่กามไม่ทันความรวดเร็วของจิตยิ่งกว่าลิงนลีงมันโดดจริงนั่นจริงนี่มันไปเจอผ ล, ลไม้ในอิ่มหนำํำรันในปากในท้องทั้งมันให้ลีงตัวคิดตัวพุงนี้โดดไปกริงไหนมีแต่พื้นแต่ไฟมีแต่ไม้ผุ ถ้าให้หงายตื่หงายตื่ น, นไปเรายังมีเห็นโทษถึงความคิดของเราเราเสียดายอะไรความคิดในโลกนี้เคยคิดมาจะทั้งสวรรค์เกิดจะมาทั้งเหมือนเเสียดายอารมณ์แห่งความคิดนั่นอะไรนักหนาหนจะภาวนาทําไมเราตัดอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงอันหา ส, รสาระแสบฉันไม่ได้ อารมณ์ของธรรมเป็นของที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาทุกก็ยายมทุกข์สิเราเป็นนักรลกเป็นลูกสืบถาวรซึ่งไม่เคยแสดงว่าที่ไหนว่าพรูพุเจ้าเป็นผู้อ่อนแอคล้อยตามที่เดตัะหาอาสวะจนได้ความวิเศษวิโสขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกมันเราไม่เคยเห็นมีแต่ความฝ่าฝืนบึกบืนต่อสู้กันจนกระทั่งสลบสลาย จึง ไ, ได้ชัยชนะให้เป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความเป็นนักต่อสู้นะไม่ใช่เป็นนักถอยกลูดูดหินแล้วนอน ก, อ น, กอนแล้วหมิ่นมันเกิดประโยชน์อนไรลรเราก็เคยนอนมาแล้วเสื่อไดามาหนักหนานอนมันจะจนหลังแบนเกิดมาก็นอนอยู่แล้วเรื่อยมา ความภาคเพียรที่จะเป็นสาระอันสำคัญน่องขันเป็นเครื่องประดับปิดใจส่งเสริมปิดใจรับความสุขความมนใจยิ่งกับความสุขที่เคยผ่านมาตามต้องตางสารไปไหนทำไมจึงไม่เห็นคุณค่าของสว่วนนี้นักปฏิบัติต้องคิดต้องเทียบเคียงหาเหตุหาผลเพื่อเอาตัวรอดไปแง้งงั้นจะปฏิบัติเพื่อความฉลาดได้ยังไงเอาเลเจ้าไม่ใช่คนโม่ สอนไว้ทุกงเนี้ยทุ่งมุมด้วยแล้วแต่ความฉลาดเท่านั้นสอนให้ฉลาดไม่สอนให้ง ง, งมันต้อง เ, อางเรจาจินอราจำมันค้าบให้กิดมันคับกิดไม่ได้ไม่มีทางเพราะตัวเสนีย์จันายมันอยู่ในกิดมันคับกันลงที่น่ะเบาบางก็บาบางลงที่นั่น มีความเบาบางจากฉินไม่ดีทั้งหลายมันก็เหมือนกับโรคที่เบาบางทุเราลงไปโดยลํำดับลาดับลาดั บ, ด บ, ดบยากระเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งโรคหายความทุกข์เพราะโรคนั้นมันก็หมดไปมีเพราะทุกข์เพราะกิเลสประเภทใดโรคคือกิเลสประเภทใด มันเสียดแทงคำว่าโรคต้องเสียดแทงทั้งนั้นแ่ะยิเรศไม่เคยให้คนที่เสศษวิสโส อ, อะไรได้โดยหลักธรรมชาตินอกจากเศษสันต์ตั้นยอกั น, ฉนเฉยๆว่าวิเศยอย่างนั้นวิโสอย่างนี้ว่ามันไปตามรวมๆแรงๆความจริงมันไม่เป็นยิเรศมีแต่วความเผาผลาญทั้งนั้นธรรมไม่มีคําว่าเผาผลาญ มีมากมีน้อยเป็นที่ก็ยิ่มในจิตพอใจพอใจโดยธยรมะลเพราะฉะนั้นยังมีผู้บริสุทธิ์ในโลกเพราะรถของธรรมชนะสมรสทั้งหลายดังที่ด้านเก่าสัพพะไส่จสร้างธรรมโซชินาติรถแห่งธรรมชนะสมรถทั้งปวงฟังดีว่าทั้งปวง รถดทังธรรมประเภทนี้เกิดขึ้นลดของสิ่งที่เราติดเคยติดมาในส่วนขนาดนี้ปล่อยแล้วลดอันนี้เหนือกว่าอันนี้ปล่อยรดอันนี้ลดทังธรรมเหนือกว่ารถประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยเรื่อยโลกามิพา ย, าย จ, จิตใจปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไม่มีเหลืออะไรที่เคยติดพันในโลกในรงสาร ทั้งอยา่ทั้งการทั้งละเอียดอันเป็นสมมุติด้วยกันละเพราะว่า ม, มีอะไรเลิอดยิ่งกว่ารถของธรรมจนกายเป็นความพอตัวมีมากที่อยู่นี่อะไรๆก็เป็นท่าเป็นทาง ทำอะไรให้มีความเจาะจงยาศักดิ์แต่ว่าทำนิสอันนั้นเป็นนิสัยของโลกของสารนิสัยของคารวาสที่เขาไม่เคยอบรมศีลทำนิสัยของค้าต้องต่าง ก, กันกับนิสัยของโลกมากทีเดียวกิยาแห่งการทําทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวไปมาของจิตต้องเป็นอัตเป็นธรรมมีสติสตังมีปัญญาพิจารณาสอดสอ บ, อบทางเหตุผล การจะทำอะไรันไปให้มีความตรงใจจิตสติดิบแนบอยู่กับงานของตนที่ทำนั่นเรื่องของพระเป็นอย่างนั้นไม่งั้นจะหาทางออกไปได้นะวันไหนกะวันเก่าวันไหนก็วันเก่ า, กกามันก็วันเก่าที่พอมีแต่มึอกับแย้งกว่า น, นั้นถ้าเราไม่แก้ของเราให้ดีขึ้นมันมันไม่มีอะไรจะพ้าให้ดีในโลกนี้ ปันคืนปีเดือนมันเป็นสมมุติประเภทหนึ่งอยู่ตามธรรมชาติของเขาคลอเอาไปสมมติเขาแต่เจ้ากองรับเหมาทุกมันคือหัวใจคนนี่เราจะมาแก้ความรับเหมานั้นทำให้ที่คลายออกไปจากปิดตายกอจะลืมหูลืมตาดูทุกสิ่งทุกอย่างได้สะดวกสบายและแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกที่เต็มไปด้วยความร้อน เราก็หาความรุ่มร้อนไม่ได้เพราะไม่มีเชื่อแห่งความรุ่มร้อนอยู่ภายในจิตเย็นไปตลอดร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนที่ไหนก็เป็นไปที่ร่างกายก็รู้อยู่แล้วเป็นเรือนเป็นรังของโรคเนี่ยมันเจ็บที่ตรงไหนก็จะไปอยู่จะไปคล้องไปแวะ ก, กับมันถ้ามันเกิดความทุกข์ความลําบากเย มันังที่บ้านของเรามันรั่วตรงนั้นก็จะไปยู่อยู่ที่ที่มันรั่วที่มันดีมีอยู่เยอะก็อยู่ที่มันดีอยงั้นก็รั่วคงนี้เขรั่วตรงไหนไม่รั่วก็อยู่ที่นั่นมันรั่วหมดแล้วมันรั่วหมดทิ้งมันเถอะจิตใจร่างกายของเราเหมือนกันมันเจ็บปวดตรงไหนก็เท่ากับผลมันรั่วเราจะไปเกาะไปเกี่ยวไปพัวพันกับมันด้วยความฉลาดของตนเอง อยู่พี่ความความฉลาดเลยการจะเจ็บไข้ะอะไป่วยขนาดไหนก็รู้ว่ามันเจ็บใจไม่ได้เจ็บด้วยจะไมไ่ทุกข์ด้วยเพราะใจรู้รอบหมดแล้วในสิ่ง น, นี้ตั้งแต่ยังไม่ทุกประเภทนั้ น, น, นโรคประเภทนั้นยังไม่เกิดก็รู้รอบไปแล้วเมื่อเกิดขึ้นก็อยู่ในข่ายของความรู้รอบของตนแล้วจะตื่นไปไหนตอนนี้นเจ็บก็เจ็บที่ไม่เจ็บมีอยู่ที่ดีมีอยู่จิตใจไม่เจ็บจิตใจไม่ปวดจิตใจไม่หลงไม่งมงงาน จิตใจไม่ติดไม่พัวไม่ผัานมันก็ทุกข์ไปนั่นเกาะไม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นจะเป็นตามสภาพของเขาเพราะใจไม่ไปเสริมทุกข์ทางใจก็ไม่มีมันทนไม่ไหวแล้วธาตุนี้มันจะไปแล้วแหละมันจะแตกเอาแต่ก็แตกนีแกแ่แ่สิ่งอื่นมันก็แตกได้เหมือนกันทําไมธาตุนี้ก็อยู่ในโลกแห่งความแตกดับเหมือนกันมันจะอยู่ค้าฟ้าได้งไง เยาๆรักษามันไม่ไหวแล้วก็ปล่อยมันเยอะใจของเราไม่ได้แตกมันแตกแต่ภาตุขันต่างหามันแน่อยู่หัวใจนั่นแล้วจะไปวันไหวกับอะไรนี่คือความเรียนโลกมันเข้าใจอย่างนี้เรียกได้ถึงโลกถึงธรรมแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่วิตรกวิจัยก็เรื่องการเป็นการตายอะไรมันเป็นอะไรมันตายก็รู้หมดแล้ว จะมีส่วนได้ส่วนเสียอล้วกับสิ่งเหล่า น, นั้นเพราะสิ่งนี้มันเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนกันไหนจิตใจของเราเมื่อฉลาดรอบตัวแล้วก็จะไปหลงอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไปก่อทุกข์ใหญ่โนเพราะเรื่องอะไรนั้นทํารหม่การปฏิบัติสมัยไหนทำผู้เยาะแฉ่คนใหโง่ไม่มีนี่จะสอนให้ฉลาด การปฏิบัติตัวให้ดีไม่ว่าสมัยไหนดีทั้งนั้นไมไ่ขึ้นอยู่ออกับการกับสถานที่แต่มันขึ้นอยู่ออกับการกระทําของคนเราภูรัพผิดชอบเราเองไม่กี่พบกี่ชาติเกิดแก่เก็บตายก็ใครจะเป็นผู้ไปแบบไปหามในเรื่องกองทุกข์ซึ้นเป็นติดไปกับภพบกับชาตนั้นเ ร, เราเองทุกเวลาประกอบความภาเคเพียรเพื่อจะสลัดปัดทินสาเหตุแห่งทุกข์ และทุกทั้งหลายออกทําไมจะทําไม่ได้เราเป็นผู้เหมาะสมแล้วกับงานหลวงเพศอมนูอยู่แล้วเต็มร้อยเปเซ็นเพศพระไม่มีคารุบวนเพศนี้เป็นเพศที่เย็นเป็นเพศที่สะดวกสบายเห้เรามันลืมตนสะดวกสบายก็จนนอนใจกลายเป็นหมูไปนี่เรียกว่านอนหลับทับสิ์สิทธิที่ทควรได้ คันเป็นจากงานของผนก็ไม่ทําีำที่เป็นพระเขาไม่ลกบกวนทางบ้านเมืองทํงางานยุ่งเหมือนโลกทั้งหลายอยู่สะดวกสบายอาหารการเมรืองพกก็ยินเส บ, บ่าไปก็เต็มบาดมาายินดีเท่งนั้นอยากบุนให้ฐานขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนงานของเราที่จะทําให้เป็นชาติสําคัญในตัวของเราสิมันขาดมันขาดอยู่ที่ตรงนี้ ทําให้มันสมบูรณ์เลยเครื่องสนับสนุนเพื่อ ง, งานเหล่านี้คือปัจจัยทั้งสี่มันก็มีสมบูรณ์อยู่แล้วมีแต่ผู้ดําเนินงานนี่มันบกพร่องตัวเองผลของงานของตัวเองซึ่งควรจะได้จะถึงมันจริงไม่ปรากฏแต่ภาพไม่สามารถจะทรงว่าผลนิพพานได้ก่อนอื่นก่อนใครแล้วใครละ่รละอืเพราะ่านนี่ออกแนวโรคแล้ว พร้มทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องแล้ว ม, มีความกั ง, งวลรุ่งเหยิงวุ่นวายกับความเป็นอยู่ปูวายที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้แม่สอยการนับทานหรือการกินการฉันเต็มไปหมดมีแต่งานที่เดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนางานต่อสู้กับพิเรนอันเป็นตัวภัยต่อจิตใจตัวเราตทำไมเราจะทําไม่ได้งานอันเดียวเท่านี้นะไม่ได้มากมายอะไรเลยอยู่กับตัวของเราทํานี้มากก็เต็มตัวนี้เท่งนั้นไม่เลยตัว วาดฟันกันลงไป เ, เราอยากได้ยินได้เห็นดูหมู่เพื่อนมันพู ด, พดอักพูดทําให้ฟังการพูดปฏิบัติผลมันเป็นยังไงยังไงสอนนั้สอนแทบน้มแทบตายเกือบสามสิบปีแลแ้วแกออกมาสังคมนี่ก่อนเคยอยู่ในป่าในเขาไม่ยุ่งอะไรกับใครส อ, อนตนอยู่ในป่าในเขาไม่อะไรหละ่ะสอนตนทรมานตนคําว่าสอนตนทรมานต น, ตนก็คือ การต่อบผู้ี่เลสทั้งนั้นเราให้จริงให้จรง้ามันเห็นใจ ก, กับกิเลสขาดสะบรรันออกจากกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันมีเสียด้วยมีเสียษไม่ต้องมีใครมาเสษสันรู้ประจักษ์เดียว เอาที่นี่ยกมาสามโลกธาตุจะจะมาหลอกมาลวงมาอะไรก็ตามจะไม่มีวันแม่เท่าเม็ดทรายเลยนั่นแหละคือความจริงลบไม่ศูนย์อย่างนี้เราอยู่ยกับความหลอกลวงเท่านั้นตัวเรานั้นแหลยใจเราเน่หละมันหลอกเราของหลอกมาเท่าไรมันก็ไม่เคยเจ็ดหลักก็คือกิเลสหลอกสัดโลกนั่นเองจะคืออะไร แล้วก็ว่ายปัญญาของเราอยูหลอกกิเลสบ้างสิเราก็จนมันเผอที่หนต่อยเอาเผลอทีไหต่อยเอาตอ่อเอาจนมันถูกนอกตกเวทีเดินไปหาวันฟื้นไม่ได้ตลอดอนันตการนั่นแหละพระพุทธเจ้าเราสาวกระท่านหลอกท่านต่อยไม่เอาอย่างนั้นนะพอจนตกเวทีไม่มีวันพื้น พ่เกิดแก่เกิดตายที่ไหนก็เพราะกิเลสเป็นตัวนี้ตัวนี้มันหมดไปจากใจซะท่านั้นมันไม่มีอะไรเลยในโลกมีแผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรที่ว่ามีมากมายกากองในแผ่นดินอนี้ในโลกมันก็ไม่มีในความรู้สึกมันจึงเหมือนอะไรไม่มีที่มันพาให้มีก็คือเรื่องของกิเลสเท่านั้นพาให้มีพายทุกพายลําบากพาของบนวุ่นวายเสียแทงตลอดเวลาไม่มีอายาบทดัน นอกจากเวลาหลับชนิดเสียเท่านั้นจิตเรศก็สงบตัวใน น, นั้นพรอตื่นขึ้นมามันก็ทํางานทั้งมันเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มแทงในหัวใจทั้งอดีตอนาคตอารมณ์อะไรตละยุ่งไปหมดเราก็ยังไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอกับความเป็นของจิตเรศแล้วเราจะไปเห็นโทษจิตเรศที่ตรงไหนแก้จิตเรศได้ที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นจิตเรศทั้งมวลเรายังไม่ทราบอย่างเวเฟสก็ที่สติปัญญา เห็นผลแห่งการแนะนำสองสองมิลลิวัตที่สอนมานี้สอนด้วยความแน่ใจไม่ได้สอนด้วยการด้นเดาเกาหมาัดไม่ใช่เราฝุยเราสอนจริงๆตามได้พื้กปฏิบัติตลอดถึงผลรู้ยังไงเห็นยังไงนำมาพูดทั้งหมดฟังั้งหมดโดยไม่สะทกสถานถ้ามันจริงนี่สะทกสะทานอะไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆรู้อย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จริงๆอ่า จะไปดก็ข้างกับไข่อ่าที่นี่ว่าของจริงลบไม่สูงใครรู้ขึ้นก็ริงทั้งนั้นเป็นพระที่ทรงมรรคมผลพระของพระริจาเป็นพระทรงมกุมกมรรคมผลทรงความสุขความเจริญพระของลานทรงเป็นตั ควาทุกข์ความลำบากความที่เกียดชันอ่อนแอพอดเเท้เหลวไหลนี่มันโกงข้างโกงข้ามฆ่าอะไรฆ่าพระเจ้าเป็นพระอย่างนั้นนี่เราเป็นพระของไทยจึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่จะเป็นพระของพระเทวทัตคอยทําลายตัวเอ ง, องพุทธะพุทธะคือใจของเรานี่ถูกเทวทัตมันทําลายอย่างนี้เนี่เทวทัตทาลายพุทธะ ส่วนเทวทัศน์ของกับเกี่ยวกุฎิเจ้านั้นยกให้เป็นเรื่องของท่านด้านหนึ่งแยกเข้ามารลงเทวทัศน์คือกิเลสทั้งหลายเข้ามาทํำลายพุทธะของเราทีนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟอทั้งวันทั้งคืนล้วไม่เห็นเทวทัศน์ตรงนี้ลราจะปราบเทวทัศน์ได้อย่างไรเอาตรงนี้สิโอปัยญีโกน้อมเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตรงได้ทั้งนั้น่ ต่อไปห้ตั้งปัญญาที่บาขึ้นพามันไ่ไดปชุมทํางนานกัน